มีวประวัติย่อพระอาจารย์สุวัชชัวโจมือขวาหนังสือ สกุลทองศรี 29 สิงหาคมพุทธศักราช 2462 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 4 ค่ําเดือน 10 ปีมาแมณหมู่บ้านตาโกกตําบลตาโกกอําเภอ มีพี่ชาย 2 คนมีน้องสาว 2 คนถิ่นฐานบ้านเดิมบิดามารดา พระอาจารย์สุวัฒน์ตอนเป็นเด็กรูปร่างกิริยาท่า 2 ตัวควาย 1 ตัวไปเลี้ยงวัวควายมือ เขียววิ่งไล่ต้อนวัวควายอยู่กลางทุ่งชื่อบิดามารดาคร่าๆพวกเด็กเลี้ยงควายก็จะจูงวัวควายของตน บางทีก็มุดไปใต้น้ําแอบจับแข้งขาเพื่อน บางบันออกไปเที่ยวเล่นบ้านเพื่อนพ่อแม่ก็จะสอนว่าเสียเวลางานของเราให้กลับมาเร็วๆนะลูก จึงต้องนั่งรอคอยเขาต้องนั่งรอคอยเขาเมื่อพูดอย่างนั้น ถูกเอามาเอาไว้ตัดเสื้อผ้าไม่ต้องหาซื้อจากที่อื่นเราก็มีชีวิตเช่นเดียวกันเป็นนอกจากนั้นยาอัตภาพร่างกาย ซึ่งธรรมชาติทั้งปวงก็ชวนให้รักนั้นได้กลายเป็นนั้นได้เป็นบทเรียนที่ สอนให้เรารู้จักมีเมตาอารีกำลังใจให้ตนเองโดยไม่ต้องมีแต่ความอ่อนโยน ในการต่อมาในปัจจุบันต่อมาในปัจจุบันพอเราอายุได้ 12 ปีใจ คิดอยู่เสมอว่าเติบใหญ่ขึ้นมาตั้งบวชเป็นพระ เนื่อง 2464 รัชกาลพระบาทสมเด็จ 6 ได้บังคับให้เด็กอายุตั้งแต่ 7 14 ปีต้องเข้าเรียนหนังสือ จึงเป็นเด็กนักเรียนตัวโตๆอายุมากๆด้วยกันทั้งนั้นตอเป็นหนุ่มเป็นสาวเร 20 30 ปีเพิ่งจะเริ่มเดือนก็เลิกเรียน จบประถมศึกษาปีที่ 1 บ้างประถมศึกษาปีที่ 3 บ้างก็ออกไปเพราะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันเต็มที่ ชีวิตก็หมุนวนเวียนอยู่อย่างนี้เป็น 4 ปีการศึกษาเล่าเรียน ก็สอบ 4 อายุ 16 ปีเป็นหน่มแตกผ่านก็เรียนจบพอดีเมื่อเรียนจบแล้วหนุ่มแตกผ่าน 36 ทั้งขาย 20 บาทนำเงิน 50 สตางค์เก็บ เราทำงานมาก็มากแล้วเงินทองกับความเหนื่อยที่ทุ่มเทลงไปก็ไม่ได้เท่าไหร่ไม่สม อย่าให้สิ่งของที่มีค่ามากเสียหายการมา เหมือนยอดเจดีย์เป็นเจดีย์ลอมฟางที่ตั้งตระงานชั่วๆทังทลายลงเมื่อเรา ไล่เราเข้ามาทุกทีแล้วเวลาใจของเรานั้นมันดิ้นดิ้นอยู่ภาย ใจที่อยู่ภายในนั้นก็พยายามสละชีวิตทิ้งก่อนที่ชีวิตจะตายภายในนั้นก็พยายามสละชีวิตทิ้งๆเมื่อสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวๆบ้างไป หรือส่วนเราในปีนั้นงานอื่นมาทําเพื่อเจือจุนครอบครัวๆหอบเอาเศษ เหมือนเสียงสัมผัสพิเศษที่คอยกระตุ้นเตือนจิตใจให้ๆจะเห็นกองมูล มูลวัวควายเพียงแค่นี้ยังมีคุณประโยชน์ต่อเราและต่อแผ่นดินในมูลนั้นยังมี เมื่อคลื่นคิดขณะนี้เราก็โตเป็นหนุ่มแล้วถึงชีวิตของตนดัง นับวันจะถูกดึงอายุออกวันละนิดวันละหน่อยอายุมากขึ้นเรื่อยๆชีวิตก็จะสั้นลงเรื่อยๆเหมือนกันชีวิตทุกชีวิตคล้อยเพื่อจะบ่ายหน้าไปสู่ความตายถูกลิดรอนด้วยความแก่และความเจ็บเหมือนฟางถูกดึงออกจากลองฟางเพื่อนําไปเป็นอาหารให้วัว ก็จะแสดงอากาศเ אנ เองในที่สุดเจดีฝ่างนั้นก็จะพังทันลายเหมือนชีวิตคนเราเกิดแจเจ็บแล้วก็ต้องถึงวันตายชีวิตทางโลกนี้ เมื่อเติบโตขึ้นมาเป็นหนùมเป็นสาวแล้ว เที่ยวออกสอดสองหาดูขุครองเบื่องส่วนแต่พอนานวันไปกลายเป็นทะเละบ่อแว้งสึ่งก ถึงทุบตีกันเพราะผู้ชายที่เมายาดูไม่ได้ส่วนผู้หญิง บางคนก็กินหมากกินพลปากแดงปากดำฟันเหยินเหย บางเอินตายเหลือบไปเห็นฟิกษูสองรูปกำลังเดินลัดผ่านถุ่งนาอันแสนจะเวิ้งวางห wzglим verified หมคลุมผ้าสีกลัดออกคล้ำๆผ้าย้อมด้วยน้ำฝาส สपพายบาทแบกกลด เดินเก้าไปข้างหน่าอย่างมีความหมายมีความมั่นคงเด็ดเดียว osionfish เวลาเก้าเดินเหมือนพระ presidency มีความหนักแน่นมีสติสำปรษัญญะอยู่พร้อมบริบรท่านเดินผ่านทุ่งน้าอันแห้งแ lanes ปลายUREดูหล้า ต่อร่วดูร้อน ซึ่งจะมีท่านเพียง 2 องค์เท่านั้นอยู่กลางป่าส่วนเบื้องหลังท่านทางหมู่ อันเป็นป่าเขาเขียวขจีที่มีผ้าย้อม 2 รูปนี้เรา แต่เออะไรเล่าเออเราต้องออกบวชเป็นพระธุดงค์ วาจารู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่พูดมีเหตุผลแต่ภายในใจนั้น ยังมโนภาพเราก็ไม่รู้พระกรรมฐาน 2 รูปนั้นเสมอๆทั้งที่ชื่อศีลเรียง รักความสงบเอื้ออารีกับเพื่อนบ้านทุกคนอยู่ต่อมาวันหนึ่งเราไม่ค่อยสบายนอนพักผ่อนเล่นอยู่ที่บ้านขณะ นั่งเพิงฝาบ้านอยู่จึงถามขึ้นด้วยความว่าเธอท้องแก่ ทำยังไงล่ะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้บ้านนอกก็ไม่มีหมอเลือดเธอก็เอ้าเบ่งๆค่อย เราต้องคอยบอกอยู่อย่างนั้นเหมือนคราวเหมือนกันใน เพราะคนมันเจ็บปวดจะตายความเกิดเป็นทุกข์ประจักษ์ๆอย่างนี้กว่าตา ใจได้สนองกายรับใช้สังขารได้มันเหลือทุกเหลือทน เกิดความเบื่อหน่ายเห็นโทษในกามขึ้นมา และคติเราจะเกิดเมื่อไรจะตายตรงไหนสัมปรายภพไม่มีใครสามารถกำหนดได้เราจะเกิดนรกสวรรค์ชั้นไหนเราไม่สามารถ ด้วยเหตุคือความ 2481 อายุ 19 ปีเราจึงขออนุญาตพ่อแม่บวดเนนพ่อแม่ก็ยอมเพราะเข้าใจในจิตใจของเราเป็นอย่างดีอนุญาตชอบอยู่เงียบเงียบเรียบง่ายบวชเนน แม้อายุเราสมควรมีครอบครัวได้แล้วแต่ก็ไม่สนใจสาวใดเลยมีแต่ เป็นมัคเก่าแก่เป็นมัคพื้นบ้านอยู่จัมปันษา 1 ปีตั้งใจว่าจะศึกษาหาความรู้ในทางพระเป ในสมัยนั้นเขตจังหวัดต่างๆรวมทั้งจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นสภาพ แต่เมื่อบวชเข้ามาแล้วความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นจะ ที่ท่านเจ้าอาวาสที่ปกครองดูแลถ้าท่านไม่อบรมสั่งสอนหรือทําเป็นแบบอย่างเราก็ไม่มีผู้ ตั้งแต่เบื้องต้นธรรมกลางและในที่สุดมีพมวิหารธรรม 4 ประการครบถ้วนบริบูรณ์แต่เราๆก็เป็นได้ถึง จึงศึกออกมาช่วยพ่อแม่ 20 ปีได้รับหมายเรียกปรากฏ จึงเป็นทหารกองเกินไปคิดแล้วแทบจะ อายุก็ได้ 20 ปีแล้วและยังอยากบวชอยู่จึงขอพ่อ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าสุวรรณโณแปลว่าผู้มีผิวพรรณชาติตระกูล 1 เปพันษาจํารพันษา 1 พันษาดังนั้น 2483 หลังออก ท่านก็อนุญาตเราจึงเดินทางไปศึกษาพระปรัชญาปฏิบัติธรรม เมื่อถึงจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ยังเคว้งคว้างอยู่เพราะไม่ คือท่านพระอาจารย์ฟั้นอาจารย์โรศิษย์ผู้ทรงธรรมชั้นสูงของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต ได้ซักไซ้ไล่เรียงถามไถ่ว่าอยู่วัดไหนมาจากไหนบวชได้กี่ ก็ยิ่งให้รู้คุณธรรมภายในของภิกษุพอ และท่านอาจารย์ขอรับแจ้งความจำนงกระผมเดินทางมาวิชาอบรมบ่มนิสัยให้รู้เข้าใจใน ไม่มีความสงสัยอะไรอีกแล้วความสงสัยอะไรอีกแล้วเพราะธรรมของเกล้ากระผมเป็นอย่างยิ่งถ้าท่าน ที่เราเป็นพระมีเจตนาดีหวังความก้าว ท่านไม่ได้แย้งแยะแต่ประการใดเลยสำหรับ 227 ข้อเท่ากันมีศาสดาองค์เดียวกันคือพระสมณโคดมแต่ ใครจะบวชฝ่ายไหนก็ตามถ้าตั้งใจปฏิบัติก็ไป เมื่อท่านพระอาจารย์ฟั้นเห็นความตั้งอกตั้งใจอย่าง 2 ยัตติเป็นพระธรรมยุตนี้ยัตติใหม่ที่วัดสุภกินดาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัด พระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์ปัญญาภโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูธรรมธรทองดี 24 พฤษภาคมพุทธศักราช 2485 เวลา 15.00 น. เมื่อ พระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาภโลได้อบรมให้เราได้รู้จักคําว่าพระแท้ดังนี้ เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ต้องใช้เวลาที่มีอยู่ในเพศแห่งพรหมจรรย์ทําประโยชน์ให้แก่ตัวเราเองด้วยสงเคราะห์หมู่ญาติและศรัทธาญาติโยมด้วยแต่ก่อนที่ การที่ต้องพิจารณาให้มากเข้ามาอยู่ในร่มกาแล้วเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้น จิตแกร่งกล้าขึ้นมาเสมอในการเจริญเช่นนี้อุปมาเหมือนนายช่างไม้ไสไม้ให้เรียบให้ตรงจะมา มันจึงจะดีเป็นพระแท้ได้อย่างแน่นอนจึงจะต่อแต่นี้เป็นต้นไปเป็นพระแท้ได้อย่างแน่ การปฏิบัติที่วัดป่าศรัทธารวมนี้เกิดความ ทางโลกหลายๆอย่างกลับเป็นผลดีต่อการประพฤติ พอสมควรทีเดียววัดป่าศรัทธารวมในสมัย พระอาจารย์กงมากิระปุญโญพระอาจารย์หุ่ยจันดสาโรใน ท่านจะอบรมสานุศิตเป็นประจำอบรมคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอย่าแสสายไปตาม กำหนดรู้ถึงอาการต่างๆที่จะมากระทบมีสติรู้อยู่พระบรมศาสดาทรงตรัสในเรื่องนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายข้าวกล้าง้องามบริบูรณ์และคนเฝ้าข้าวกล้าก็ประมาทเสียโคกินข้าวกล้าลงสู่ข้าวกล้าโน้นพึงเมาเพลินประมาทเอาเสียจนเต็มที่ฉันใดปุถุชน ผู้ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เรียนรู้ไม่สังวรในภัสสายตนะดังนี้จิตของเธอเมา เหมือนไข่ไก่ 8 ฟองก็ตาม 10 ฟองก็ตาม 12 ฟองก็ตามที่แม่ไก่ไม่ หลังจากออกพรรษาที่ 2 แล้วพระอาจารย์พันปาเรซโกซึ่งเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นรูปหนึ่ง เพราะนิสัยพระป่าจะไม่ค่อยพูดออกรบกับกิเลสข้าจากท่านพระอาจารย์ฟั่นท่าน การไม่ใช่เดินชมนกชมไม้เล่นทุรดงของครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่ใช่เดินชมนก แม้จะมีๆก็ตามฉะนั้นอัตภาพร่างกายนี้เมื่อเกิดภัยขึ้นมาจงพยายามทำจิตใจให้หนักแน่น สมบัติของพระกรรมฐานก็คือพุทโธอย่าวางไว้ห่างตัวเก็บรักษาไว้ ซึ่งการเดินทางในสมัยนั้นเป็นทางเกวียน ครั้งมีโอกาสเหมือนถูกปลดปล่อยก็จะโผทะยานปีก เราทรุดลงถึงจังหวัดนครพนมและเข้าไปกราบนมัสการพระธาตุ ก็ได้เดินทุรดงมาพักเหนื่อย อรรถาที่ 4 เราเดินทางมาจากจังหวัดอุบลมายังจังหวัด มันกินได้แต่กายอันประกอบด้วยธาตุ 4 มีดิน ไปฝากอันนี้แหละมันเป็นธนาคารใหญ่คุณงามความดีอันมีทานศีลภาวนานั่นอันนี้แหละ ทำใจให้สงบไม่ทุกข์ร้อนวุ่นวายมีแต่ความปกติ ตามคําสอนของเราตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเรา ล่อ jaarล. ถ่านประจThr læนเขนมาอย่างจงหวัดศริ Infrastsehen แล้วท่านพระจ่ายฟันเดินทางก็ปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเรากับพระอินตา это debris о том ที่ระ��ภาร์ฝาน ทั้งกลางวันกลางคืนพากันมากราบท่านมืดฟ้ามวล ทำไมไม่รักษากันล่ะเรามาขอศีลกับพระก็เท่ากับเราก็ภิกษุฉะนั้นจะต้องปฏิบัติ เราจะไปขอกับใครล่ะเรามี 2 ขา 2 มือศีสะ 1 นี่แหละเค้าเรียก ผู้คนมากันมากมายเห็นความอัศจรรย์ในครั้งนั้นจึงเกิดพลังใจขึ้นว่าจะต้องพยายาม เดือนมิถุนายน 2487 เดิมทีทีท่านพระอาจารย์ฟั้นตั้งใจท่าน ที่เป็นลูกศิษย์และสั่งราวไว้ว่าให้ท่านสุวัฒน์นี่ ณที่ป่าไม้กระเบาริมห้วยสนิง 2487 แล้วเราจึงตั้งใจ ท่านพระอาจารย์มั่นภักจัมพันษาที่วัดบ้านนามนอำเภอโคกศรีสุพรรณโดย เมื่อออกพรรษาแล้วเราพอมั่นใจในตนเองบ้างแล้วได้ออก ไม่แจ้ไขตนเองแก้ไขตนเองความจริงของดีมีอยู่ที่ตัวเราแต่คน ก็เป็นพระแก่มีอายุฟันษามากแล้วศึกษาและปฏิบัติกับท่านฟั้นก็เป็นที่เพียง ใน 2489 ถึง 2492 ตามที่ท่านพระอาจารย์มั่นสั่งความจริงแล้วแม้นพระอาจารย์ ก็ทําเป็น 7 ค่ํา 8 ค่ํา 9 ค่ําและ 13 ค่ํา 14 ค่ํา 1 ค่ําท่านจะนํานั่งภาวนา 3 คือยืนเดิน ทำอย่างนั้นโดยตลอดเราเคารพรักในองค์ท่านมากไม่ว่า 2493 ถวาย พระเมรรสํราสายขาที่พึ่งเราท่านวันท่านสิงห์ 2495 ได้ล่องใต้ ก่อนไปได้เข้าพักที่วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพฯเมื่อ อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเราจึงได้เข้าไปกราบ 2496 เนื่องจาก เราจึงเดินทางจากภาคใต้กลับมายังจังหวัดสุรินทร์และได้ฝากให้ ท่านพระอาจารย์ฟั้นจัมมันสาที่สำนักสงฆ์ถ้ำขามเราๆองค์ท่านเองก็ไว้วางใจ เราจึงมาพักที่ถ้ําสีแจ้วเพราะเห็นว่าเป็นสถานที่สัปปายะดี เป็นกลางระหว่างสกลนครกับกาฬสินธุ์ลงเขามาทางบ้านหนองผือนาๆมีเราหลวงพ่อพวงพระจิรวัฒน์พระ 2516 สถาน ได้กลายเป็นสำนักสงฆ์ชื่อว่าสำนักสงฆ์ถ้ำสีแจ้วโดยท่านพระอาจารย์ฟั่นได้สั่งให้เราดูแลเยี่ยมเยือนสำนักต่างๆเช่นวัดป่าภูธรพิทักเช่นกันการสอน แต่ถ้าแต่ท่านจะสอนก่อนไหนมาจากที่ไกลๆก็ทําให้ ผู้มีกรรมชั่วนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยผู้ไม่กล่าวเท็จไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่ถืออุกาบาต แห่งการถือมงคลตื่นข่าวข้ามพ้นกิเลสเทียมแอ็บประโยชน์ในล่วงประโยชน์เป็นตัวเลิกของประโยชน์เองดวง เป็นขณะดีขณะดียามดีและเป็นอันบูชาดีแล้วในท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายแม้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของ สิ่งใดที่เป็นอดีตสิ่งนั้นก็ผ่านไปแล้วสิ่งใดๆพระอาจารย์สุวัฒน์ แม้ในระหว่างที่อยู่จําพรรษาที่วัดถ้ำสีแจ้วเราก็เดินทางไปมาๆมิได้ขาดเพราะท่านเป็นอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ความรู้และการประพฤติทุก เบียดเบียนข่มเหงรังแกสร้างความเดือดร้อนให้ๆให้บังเกิดความสำนึก เมื่อวันที่วันที่ 15 กันยายนพุทธศักราช 2519 จึงแต่อาการของท่านไม่ดีขึ้นเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสกลนครแต่อาการของท่านไม่ดีขึ้นจึง รักษาตัวอยู่ได้ระยะหนึ่งท่านพระอาจารย์ฟั่นก็ขอมกราคมพุทธศักราช 2520 ได้เกิดอาการโรคแส้ซ้อนขึ้นอย่างนาทีณบัดนี้พระภิกษุผู้รู้ ได้กระทําที่สุดแห่งทุกข์ละสังขารขันธ์ผลโลก 20 มกราคมพุทธศักราช 2521 พระ ได้วางแผนแบบละเอียดลึกซึ้งให้พระอาจารย์ 6 เมตรวางบนเมรุเมื่อ ติดต่อในอำเภอเพราะท่านคาดการว่า พิพิธเปิด 9 มกราคม 2525 พระอาจารย์สุวัฒน์ได้เรียบเรียงอาจารมหาเถระประวัติ ได้ทําการ 2515 ถึง 2524 ท่านพระอาจารย์สุวัชสุวัโจได้ ที่ธรรมศีลเจ้านั้นเราก็สวดมนต์คลั่งแคล่วเดินจงกรมนั่ง พอมันถอนปรากฏว่าถอนทิ้งเหมือนคนกระโดดดิ่งลงในหีลเหมือนกับเราถอนต้นเอ๊ะทําไมเราเป็นอย่างนี้แต่ มันวิจารณ์อยู่มันค่อยหายไปพอหายไปจากนี้มัน แล้วปรากฏบทไปอย่างนั้นนะว่าเราพลิกได้พลิกจิตได้แล้วไปอย่างนั้นนะปรากฏนั้นว่า โอ้ยไม่จําเป็นจะต้องดึงออกหรอกเพราะมันตายแห้งหมดแล้วมันผุแล้วเหลือแต่จั่นมันไม่งอเอ๊ะมันกลางวันนี่ไม่ใช่ จิตจะทำหมดสิ้นแล้วไม่มีจิตแล้วเลิกจิตจะทำอีกไม่มีแล้วจะต้องทำอะไรอีก พอมันทำลายหมดแล้วมันมาปรากฏลมละเอียดจ่ำใสที่ประชุมพร้อมพร่างกันอยู่ใช้ชีวิตเป็นธาตุ เมื่อพระองค์ๆแม้พระ 7 อาทิตย์ 49 วันแต่สําหรับเรากําลังธรรมดา 49 วันเพื่อจะได้มาโปรดสัตว์จะ เราเป็นแต่เพียงสาวกรู้ตามเห็นตามเท่านั้นเองแม้แต่ในจิตในใจมันก็ ไม่ได้หมายความว่าดับศูนย์เพราะสีแสงอะไรก็ไม่ปรากฏเหลือแต่ดับไม เหมือนกับครูบาอาจารย์บางองค์ท่านไม่พูดไม่สอนอยู่อย่างไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วท่านที่บรรไปรู้จิตมันถอนก็ไม่ใช่นอนไม่ใช่ แต่พลังในส่วนนั้นที่มันปรากฏเรื่อยๆมามันก็มีอยู่เหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้จด มันก็ดับไปด้วยกันก็จึงว่าไปมันก็ไม่ได้ใช้แล้วนี่กันเพราะมันเพราะมันไม่มีแสงสีที่จะกําหนดแต่มันมีอยู่แล้วมันมีอันเดียวจึงไม่มีอะไรที่จะเปรียบแม้ไม่ ก็ไม่มีอะไรที่จะบัญญัติด้วยไม่มีบัญญัติอีกต่อไปพระบรมศาสดาตรัสเปรียบเทียบไว้ บุรุษนั้นจึงดำริว่าห้วงน้ํานี้ใหญ่ฝั่งข้างนี้น่าวาดระแวงถ้ากระไรเรา และข้ามขึ้นไปฝั่งโน้นโดยสวัสดิ์แล้วก็มีความ เป็นผู้กระทำถูกหน้าที่ต่อแพนั้นหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ถูก เราพึงยกแผ่นนี้ไว้บนบกหรือผูกให้ลอยน้ําแล้ว ที่เราแสดงแล้วพึงละเสียแม้ซึ่งธรรมทั้งหลายจะปวยกล่าวไปใหญ่ถึงอธรรมเล่า ที่เราแสดงแล้วเพื่อมุ่งหมายให้ใช้ 15 ปีตั้ง ใน 2525 เพื่อไปเผยแพร่ศาสนธรรมของพระวนารามและวัดเมตตาวนาราม ทั้งชาวไทยและชาวต่าง 60 เอเคอร์ประมาณ 150 ไร่ เป็นจํานวนเงิน 700,000 ดอลลาร์สหรัฐตั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติจิตตภาวนาหลัง มีป่าเขาโดยรอบป่าเขาโดยรอบมีสัตว์ 11 กันยายนพุทธศักราช 2539 พระอาจารย์สุวัฒน์ ถ้าท่านจึงได้เทศณาธรรรมเรื่อง บริ� kitt a города prob le колรมokilloc väx khunata x akaz maryễ ett par ah kitt a chry angels kitt sa mik asta thomas hypania if ra 24.5 hara ad bai thang medyo svi ch pacwatoWatha ton kohott Go-Ho realms of theless of Allah chou yahya anya xa mik houses kati pra a body momentasy awakened from the ตายตายแบบไหนไหนตายแบบไหนก็คือความบริสุทธิ์ล้วนๆพระพุทธเจ้า มันแนบอยู่ในหัวใจผู้ปฏิบัติธรรมมาทำ ท่านก็ตายอย่างสง่าผ่าเผยอย่างไร้กังวลไว้ลวดลายของศาสนาเต็มอกไว้ลวดลายให้สมกับความ ก็ย่อมเสวยสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างเฉยเป็นข้อแตกต่างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างภิกษุทั้งหลายในกรณี ย่ําเศร้าโศกค่ําครวนร่ําไห้รําพันตีอกร้องไห้หลงไหลฟั่นเฟือนไปเขาย่ําเสวย คือทั้งทางกายทั้งทางใจฉันใดปุถุชนผู้ไม่ 2 อย่างคือทั้งทางกายและทางใจภิกษุทั้งหลายฝ่ายอริยสาวกผู้ได้เรียน เธอย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียวไม่เสวยเวทนาทางใจเปรียบเหมือนนายขมังธนูยิงบุรุษด้วย ภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นความพิเศษเป็นความแปลกเป็นข้อแตกต่าง เที่ยวจาริกทุรดงไปตามที่ต่างๆทั่วประเทศทั่วโลกไม่ยึดติดในหมู่ ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์ ท่านยังเป็นผู้สนใจในภาษาขอมเขียนและอีกด้วยการเขียนการอ่านภาษา ยังไม่มีวันเสื่อมคลายเป็นศีลที่ถือนิสัยในครูว่าถ้าเราไปอยู่ที่ไหนไกลๆ ระรึกถึงบุญท่านล่าว่าของท่านท่านพระอาจารย์สุวัฒน์รอบคือจากจังหวัดสกลนครไปอุบลจากอุบลลงมาทางจังหวัดนครราชสีมา ไปทุรดงที่ไหนมักท่านมักจะไปด้วยกันก็คือไปด้วยกันถูกอัธยาศัยกันเหมือนท่านพระอาจารย์ปั้นอาจารโร เป็นที่เลื่อมใสของชาวต่างชาตินับ เป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าดื่มดำสงฆ์สาวกเม 5 เมษายนพุทธศักราช 2545 เวลา 13:12 นาทีตรง 8 ค่ำเดือน 5 สิริ 82 ปี 7 เดือน 7 วันพันษา 61 สังขารขันธ์ของเป็นการสละคืนโดยไม่มีเชื้อเหลือโดยแท้ถูกทิ้งคืนเพื่อที่จะบัญญัติต่อไปเป็นโอปาติกะธาตุไว้บน พระพุทธพจน์ที่กายนี้ไม่ใช่ของพวกเธอแล้วก็ไม่ใช่ของใครอื่นมีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้ง ย่อมพิจารณาสืบสาวเป็นอย่างดีถึงการที่สิ่งทั้งหลาย เสียงธรรมได้ประกาศก้องทั่ว 3 แดนโลกธาตุแล้วธรรมะที่ท่านพระอาจารย์สวัสดิ์สัวโจแสดงเผ่า อย่าแก้อะไรใครได้ก็ไม่เท่าแก้ใจตนเพียงคนเดียวใครแค่อะไรใครได้ก็ไม่เท่าธรรมธิติโอบอุ้ม และจะตลอดไปจะตลอดไปเทพมวลนี้จะ 100 วันหลังจากการละสังขารของ ไม่พอให้ช่วยเพิ่มถ้าตกให้ช่วยเติมให้ช่วยเพิ่มถ้าตกให้ช่วย 14 มิถุนายนพุทธศักราช 2545